สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องความตายพราะชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งานจนถึงข้อที่สิบหกนะครับโปรดฟังพระเชนะของพระเจ้ามีชายคนหนึ่งชื่อลาสรักํกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบทคานี ซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธออยู่นั้นมารีนี้คือผู้ที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมของนางเช็ดพระบาทพระองค์ลาสะลัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพรองค์เจ้าค่ะผู้ที่โปร่งชงรักนั้นกำลังป่วยอยู่ แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นพระเยซูทรงรักมาตาและน้องสาวของเธอและลาทรัสคันพระองค์ทรงได้ยินว่าลาทรัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่า เราเข้าไปในแคว้นอยู่เดียกันเถิดพวกสาวกทุนพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือเพียชูตรัสว่ากลางวันมีสิบสองชั่วโมงใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้ แต่ถ้าผู้ใดเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาสลัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราจะไปเพื่อปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าเขาหลับอยู่เขาก็คงจะหายดีพรงคตรัสถึงความตายของลาสลัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับคักผ่อน ฉะนั้นพระเยซูยังตัดเขาตรงๆว่าราทรัสตายแล้วแต่เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดที่น้องครับความตายนั้นก็คือการแยกจากกันความตายฝ่ายร่างกายหมายถึงการแยกจากกันระหว่างชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกนี้ ก็คือร่างกายกับจิตวิญญาณที่จะเป็นของยั่งยืนต่อไปในโลกหน้าความตายฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นความตายระดับหนึ่งก็คือความตายที่เกิดจากการแยกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นความหมายหรือนิยามของคําว่าความตายนั้นคือการเซปเรตหรือการแยกเข้าโครงของเรื่องนี้นะครับก็คือลาสลัสซึ่งเป็น ที่น้องครอบครัวเดียวกันกับมารีและมาธาพระเยซูเสด็จมาพักกับเขาเวลาที่พระเยซูเดินทางมาที่เยรูซาเซล็มบ้านของพวกเขานั้นอยู่ในหมู่บ้านเบตเทนีครับซึ่งเบตเทนีนั้นอยู่ทางด้านสวรรคออกของภูเขามะก อ, อกเทศพี่น้องครับพ้อเจรจของพระเจ้าจะใ ห, ให้เรามีข้อสังเกตว่าก่อนที่ราซลักษ์จะตายที่สาวของเขาได้ส่งข่าวการป่วยของน้องชายให้พระเยซู แล้วบอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นป่วยอยู่เี็นไหมครับเป็นไปได้มากทีเดียวครับที่พวกเขาคาดว่าพระเยซูจะรีบเสด็จมาเพราะเหตุที่ทรงมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับครอบครัวเนื่องจากมาริเอสมาทาต้องส่งข่าวมาให้พระเยซูเราสรุปได้ว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในแคว้นยูเดียในขณะนั้นครับใช้เวลาเดินทางถึงสี่วัน ที่น้องครับพระเยซูพูดนะครับบอกว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เพื่อจะเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าการเดินทางของพระเยซูจากที่พงได้รับข่าวมาถึงบ้านของลาสลักก็ลาสลักก็ตายบดีครับและตายไปแล้วนะครับหลายวันด้วยที่น้องครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าพระเยซูตรัส เปเยซูตัดกับเขานะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เดินอยู่ในความสว่างเขาก็จะไม่มีอันตรายถ้าใครก็ตามที่อยู่ในความมืดเขาก็จะทําให้ตัวเองเสี่ยงที่จะสะดุดลม้มพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าจะไม่มีอันตรายใดๆมาก้ํากลายพระองค์ได้ตราบที่พระองค์ยังทําตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับการเดิน นะครับในความมืดก็เหมือนกับการไม่ติดตามน้ำพระไถยของพระองค์การเดินในความสว่างก็หมายถึงการที่ดำรงชีวิตอยู่ในการเชื่อฝังพระเจ้าอยู่ในน้ำพระไถยของพระองค์ซึ่งจะปลอดภัยสูงสุดนะครับพี่น้องครับข้อเจนจาของพระเจ้าตอนนี้เกิดจากการที่พวกสาวกของพระองค์เขารู้สึกเป็นห่วงพระองค์เตือนพระองว่าอย่าไปเลยนะครับแต่พระเยซูกําลังบอกเขาว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ําไถยของพระเจ้า มันก็จะเป็นไปตามจังหวะเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้เช่นเดียวกันครับอยู่ในน้ำมัทยของพระเจ้าทุกอย่างจะปลอดภัยพี่น้องครับกราบใดนะครับตราบใดที่พระองค์ยังทำแผนการทาตามแผนการของพระเจ้าก็จะไม่มีอันตรายใดๆมากํามกายพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้นะครับนี่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้แม้กระทั่งความตายครับ ตราบใดที่พระเจ้าไม่ให้เราตายเราก็จะไม่ตายเช่นเดียวกันครับคนบางคนไม่ยอมอยู่ในน้ำพระทยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นได้เสียใจเสียใจเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทยของพระเจ้าแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีใครที่จะไปรับรองความปลอดภัยของคนที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทยของพระเจ้าพี่น้องครับ มารซาตานั้นมันมาเพื่อที่จะรักฆ่าและทำลายหากว่าเราไม่ยอมวางตัวเองอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นอยู่ในความเสี่ยงที่สูงสุดบางครั้งความตายมาหาเราและเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยพี่น้องครับพระเยซูตรัสบอกกับเหล่าสาวกถึงสภาพของลาสลัสในข้อที่สิบเอดถึงสิบห้าตอนแรกพระเยซูบอกว่าลาสรัสเป็นแต่หลับไป แต่ความหมายคําว่าหลับนั้นก็แปลว่าตายครับพระเยซูยจะไปปลุกให้เขาตื่นมีความหมายว่าพระเยซูยจะไปทําให้เขาเป็นขึ้นมีิตความตายนี่คือสิ่งที่สาวกก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนี่เป็นประการที่สองครับที่สาวกไม่รู้ความจริงแล้วสาวกจะต้องน่าจะเข้าใจน่าจะรู้เรื่องของการเตือนที่มีแต่ความตายแต่ในพระมปีหลายหลายตอนนะครับยืนยันว่าพวากสาวก ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องการเป็นนิมิความตายเลยเขาคิดว่าในอนาคตต่างหากนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเขาพี่น้องครับในข้อ17ครับเราเจาะกันในประเด็นที่3ครับเมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงลากษลักก็ตายไปและถูกเก็บไว้ในิวมงฝังศพถึงสี่วันแล้วในสมัยนั้นครับการฝังศพ ม, มักไม่รอช้าครับ ผู้ส่งข่าวให้พระเยซูเดินทางอย่างเร็วก็ประมาณไม่เกินวันหนึ่งนะครับเพราะระยะทางจากเบธานีนะครับที่อยู่ใกล้เยรูซาเล็มจากเพเรียนะครับที่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแคว้นยูเดียนั้นก็น่าจะห่างสักประมาณสามสิบสองกิโเมตรสามสิบกิโเมตรนะครับพระเยซูพักอยู่สองวันก็เดินทางมาถึงเบธานีพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นที่สามครับก็คือว่า การอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเยซูสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ตายไปแล้วสี่วันเป็นขึ้นจากความตายได้เช่นเดียวกันครับพระเยซูก็สามารถทำสิ่งอัศจรรย์นะครับในชีวิตของเราได้ด้วยในขณะนี้เช่นเดียวกันเราปรารถนาที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เราปรารถนาที่เห็นการอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างให้เป็นไปตามน้ำมไทยของพระองค์เมื่อเราปรารนาตัวเรายอมถวายตัวกับพระองค์อาเมน